เวลาที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเจริญสีนสมาธิและปัญญาสีนก็ต้องเป็นสีน ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสองร้อยยีิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าอันนี้เป็นศีลที่จะช่วยสนับสนุนการเจริญสมาธิสมาธินี้ก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่อุปจารสมาธิ หรือคณิกะสมาธิเพราะการที่จะเจริญปัญญาได้จำเป็นจะต้องมีสมาธิคืออัปปนาสมาธินะปัญญาก็ต้องเป็นภาวนาเมยะปัญญาภาวนาก็คือสมถภาวนา ก็คืออปปนาสมาธิปัญญาก็มีสามคือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาถ้าเป็นภาวนามยปัญญาก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้ หดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือทำที่ต้องปฏิบัติทำที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทำที่สนับสนุนกันขาทําใดทำหนึ่งไปแล้วก็จะไม่สามารถทําให้กระบวนการของการปฏิบัติ บรรุุถึงเป้าหมายได้เหมือนกับรถยนต์ที่ขาดชิ้นส่วนที่สำคัญไปเช่นยางแตกหรือน้ำมันหมดถ้าขาดชิ้นส่วนเหล่านี้ไปรถยนต์ก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ อัในใดการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะลำจำเป็นต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้เกี่ยวกับความสำคัญของธรรมทั้งสามประการนี้ไว้ว่า สมาธิที่ศีอลอบรมดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วมีอานิสงส์มากมีปัญญามากจิตที่มีปัญญาอบรมย่อมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยถ่ายเดียว นี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ของธรรมทั้งสามประการนี้ที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปโดยเด็ดขาดอย่าไปหาว่าทรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สาคัญเพราะธรรมทั้งสามนี้มีความสาคัญเพราะ ขาทใดทาหนึ่งไปการปฏิบัติก็ย่อมไม่เป็นผลอย่างแน่นอนเช่นอย่าไปมองข้ามศีลไปว่าไม่สำคัญศีลนี้ถ้าไม่มีศีลการบาเพ็ญสมาธิเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิก็จะเป็นไปได้ยากเช่นผู้ที่ถือศีลห้าแล้วมาบาเพ็ญ จิตตะภาวนาจะไม่ค่อยได้รับผลกันเท่าไหร่เพราะศีลห้านี้ไม่สามารถช่วยกาจัดหรือทำให้อุปสรรคก็คือนิวรณ์ห้าประการให้เบาบางลงไปได้เช่นข้อง่วงเหงาเหานอนผู้ที่ถือศีลห้านี้จะ รับประทานอาหารได้ตลอดเวลาไม่มีข้อห้ามไม่เหมือนกับผู้ที่ถือศีลแปะจะไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วได้การรับประทานอาหารมากๆจะทําให้เกิดความเกลียดคร้านเกิดความม่วงเหงาหาหนอนจะไม่ อยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิจะเลนสติหรือนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเวลาเดินก็ไม่อยากเดินเวลานั่งก็จะง่วงนอนนี่คือเรื่องของศีลห้าไม่สามารถที่จะหยุดกามฉันทะหยุดความง่วงเหงาหานอนได้คือ การมะฉันท่ก็คือความอยากมีความสุขจากการรับประทานอาหารนั่นเองหรือการมีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนก็จะเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อให้จิตได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเพราะจะไม่มีเวลา หลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็อยากจะหลับนอนกับคู่ครองเวลาที่จะมาภาวนาก็จะไม่มีหลับนอนกับคู่ครองก็จะนอนบนฟูกนหนาแล้วก็จะนอนนานๆเวลาที่จะเอามาบําเพ็ญจิตตภาวนาก็จะไม่มีถ้าถือศีลห้าถ้าถือศีลแปดนี้ ความง่วงเหงาเหาหนอนก็จะลดน้อยลงไปเพราะจะรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอาหารอีกดังนั้นหลังจากรับประทานไปสักสองสามชั่วโมงอาการง่วงเหงาเหาหนอนก็จะหายไปพอบ่า ย, ายสามโมงไปแล้วก็จะสามารถ บาเพ็ญจิตตนะภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ไปจนถึงเวลาสี่ห้าทุ่มก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนถ้าถือศีลห้าก็จะไม่สามารถมีเวลาไว้ปฏิบัติได้เพราะจะรอรับประทานอาหารเย็นก่อนรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็ มีความอิ่นก็จะไม่อยากจะภาวนาแล้วถ้าอยู่ใกล้คู่ครองก็อยากจะร่วมหลับนอนกันก็เลยหลับนอนกันไปจนถึงเวลาสว่างการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็จะไม่มีแต่ถ้าถือศีลแปดก็จะไม่ร่วมหลับนอนกัน ขอศีลข้อสารก็คืออบ ร, รมจริยาเวรมะนีจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครทางา น, นจะถือสีงพรหมจรรย์ดังนั้นก็จะมีเวลาหลังจากบ่ายก็แล้วหลังจากร่างกายได้คักผ่อนจากการรับประทานอาหารช่วงกลางวันแล้ว อาหารได้ย่อยแล้วท้องเบ่าแล้วอาการห่วงเหงาเหานอนก็จะหายไปก็สามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจรินสติได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิก็ไม่สะฟงบจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ความสงบที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิ สมาธินี้ก็มีสีอยู่สามคาิกะสมาธิอปปนาสมาธิอุปจาระสมาธิคานิกะสมาธิก็คือการรวมของจิตสงบของจิตเชื่อขณะหนึ่งเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวจิตรวมลงแล้วก็ถอนออกมาอย่างนี้เรียกว่าคณนิกะสมาธิ อ น, นิจ迦สมาธินี้ยังไม่มีประโยชน์มากนะนอกจากทำให้ผู้ที่ปฏิบัติได้เกิดกำลังใจได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นครั้งแรกถ้าได้พบกับความสงบครั้งแรกนี้มักจะสงบแป๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาแต่การได้สัมผัสความสุขที่ได้จากความสงบนี้ จะมีอนุภาพมากจะเป็นที่ประทับใจมากจะทำให้รู้ว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ของคณิกะสมาธิจะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะ เพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้จิตนได้อยู่ในสมาธิยาวนานขึ้นไปถ้าจิตสงบยาวนานขึ้นไปกว่าครักะก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาก็คือสงบได้เป็นเวลาอันยาวนาน บางท่านก็นั่งได้หลายสิบนาทีบางครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คือความสงบของอัปปนาสมาธิจิตรวมแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รู้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ เป็นสมาธิที่จะมีคุณประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาถ้าไปได้เอาอุปจารสมาธิสมาธิชนิดที่สเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เวลาจิตรวมแล้วจิตไม่อยู่นิ่งไม่สักแต่วรู้กลับไปรับรูก้กับ นิมิตต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏให้จิตรับรู้อุปจารสมาธินี่แหละเป็นที่ตั้งของอภิน ญ, ญาทั้งหลายเช่นการน ล, ลุกชาติได้การมีตาทิพย์ูทิพย์การอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้การติดต่อกับเทพเทวดาทั้งหลาย ได้อยู่ในท่านอุปจารสมาธิเช่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทาให้แก่เทวดาก็ทรงอยู่ในอุปจารสมาธินี้เวลาที่ทรงโปรดพุทธมารดาตลอดหนึ่งพันษาก็ทรงโปรดผ่านทางอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธินี้จิตจะไม่นิ่งจะไม่สักแตมารสามารถคิดปรุงแต่งได้สามารถสนธนาธรรมกับกายทิพย์ได้กายทิพย์สามารถถามตอบปัญหาได้แต่อุปจารสมาธินี้จะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอนิสงค์ให้กับการ จเจริญปัญญาเพราะเวลาออกจากสมาธิแบบอุปจารสมาธินี้ใจจะไม่มีความอิ่มไม่มีอุเบกขาใจจะไม่มีกําลังที่จะดึงใจไปพิจารณาทางปัญญาเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้รับการตัดกําลังลงไป เวลาออกจากสมาธิไม่มากิเลสตันหาจะมีกำลังเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิออกมาก็จะดึงใจให้ไปทางของกิเลสทันหาไปทางการมัชันทะทันทีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่จะไปทางรมไปทางเดินจงกรมก็จะไปหา รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมาเสถถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจิตจะตัดกำลังของกิเลส ต, ตัณหาลงไปเวลาออกจากอัปปนาสมาธิมาจิตจะมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจ แต่จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอาแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำก็ยังจะเย็นอยู่แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเย็นของน้ำก็จะจางหายไปที่ะ เ, เล็กทเทละน้อยฉันใดอุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธิ ก็จะค่อยๆจางหายไปเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่เอาใจที่มีอุเบกขานั้นมาพิจารณาทางปัญญาเวลาอุเบกขาหมดไปจะไม่สามารถเด้งมาพิจารณาทางปัญญาได้เพราะถ้าอุเบกขาหายไปก็แสดงว่ากิเลสตัณหาได้กลับฟื้นตื่นขึ้นมา มีกำลังกลับคืนมาขณะที่มีอุเบกขานี่แสดงว่ากิเลสตัณหาได้ถูกตัดกำลังลงไปเหมือนถูกฉีดยาสลบดมยาสลบเวลาจิตมีอุเบกขานี่แสดงว่ า, ากิเลสตัณหานี้ไม่มีกำลังที่จะทำอะไรได้ เวลาหมดอุเบกขาก็แสดงว่ากิเลสตัณหาเริ่มฟื้นขึ้นมาเริ่มมีกำลังที่จะออกมาแสดงอิทธิพลต่อจิตใจพอมกิเลสตัณหามีกำลังแล้วแต่เวลาจะพิจารณาทำคือใจรักนี้กิเลสจะมาขัดขวางเวลาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความเสื่อม พิจารณาความตายกิเลสก็จะมาสร้างอาการอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาในใจมีอารมณ์หดหู่หวาดกลัวทําให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาความจรงิงไม่สามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เช่นเดียวกับอุปจารสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาแบบนี้ สมาธิแบบนี้มากิเลสตัณหาจะมีกำลังเต็มที่เพราะไม่ได้ถูกดับรงไปเวลาเหมือนกับเวลาที่อยู่ในอัปปนาสมาธิานั้นอุปจารสมาธิจึงไม่สามารถสนับสนุนการเจริญปัญญาได้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้น การเจริญปัญญาถึงจะเป็นภาวนาไมายปัญญาปัญญาที่จะตัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นั้นต้องเป็นภาวนามายปัญญาสูตรมามไมยปัญญานี้ไม่สามารถที่จะทําให้จิตหลุดพ้นได้ จินตาไมยะปัญญาก็ไม่สามารถทำให้จิตผุดพ้นได้ต้องเป็นภาวนาไมยะปัญญาคือปัญญาที่ใช้ในการดับความทุกข์เวลาที่ฟังเทศฟังธรรมเราจะได้สุตระไมยะปัญญาจะได้ยินฟังได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เมื่อเราฟังได้ยินได้ฟังทำซ้ำแล้วทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดับปัญหาไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ดับความทุกข์เพราะในขณะที่ฟังนั้นความทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองจินตามายาปัญญาก็เช่นเดียวกัน เวลาเราออกจากอัปปนาสมาธิมาแล้วเรามาพิจารณาปัญญาเรามาเจริญปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นจินตามายะปัญญาเป็นการทำการบ้านเตรียมตัวเข้าห้องสอบวิธีที่จะทำให้ภาวนาไมายาปัญญาเกิดขึ้นมาก็ต้องมีข้อสอบเช่น สูญเสียสิ่งที่เรารักไปเช่นภรรยาหรือสามีมาบอกเราว่าจะขอแยกทางกันเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญามีจิตที่สงบมีอัปปนาสมาธิเวลาได้ยินได้ฟังเรื่องของการจะต้องพัดพาคจากกัน ก็จะสามารถใช้ปัญญามาระ ง, งับดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นได้<ม>เพรา ะ, ะปัญญาจะสอนใจว่าไม่มีอะไรเพี้ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาก็เป็นการอยู่ร่วมกันชั่วคราว ย่อมมีวันจะต้องพัดพากจากกันอย่างแน่นอนถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากสุตตมยปัญญาแล้วนำอามาค่ายควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีปัญญาที่จะรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาเกิดการจะต้องพัดพากจากกันถ้าใจมีความสงบ มีอัปปนาสมาธิก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่จะต้องพัดพากจากกันเพราะความสุขที่จะต้องเสียไปนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธิผู้ที่มีอัปปนาสมาธิจึงสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาสิ่งเหล่านั้นจะต้องจาก ไปแต่ถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบเวลาจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปจะทำใจไม่ได้จะต้องเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของอัปปนาสมาธิ กับภาวนามายปัญญาจะทำให้สามารถดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้ามีอัปปนาสมาธิมีภาวนามายปัญญาคือมีปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากอัปปนาสมาธิปัญญาก็คือการรู้ ใจรักรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจ ส, สีรู้ว่าทุกข์ใจนิ้เกิดจากความอยากการมทันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาและการจะดับความทุกข์ใจก็ต้องดับด้วยการละตันหาตันหาจะละได้ก็ต้องละด้วยปัญญาคือต้องเห็นใจรักเห็นการพัดพาด จสิ่งต่างๆไปว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่สามารถที่จะยับยัง้งหรือหักข้ามได้เวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าจิตมีภาวนามายปัญญามีอัปปนาสมาธิมีศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิเ็ดศีลสามร้อยกว่า จิตก็จะพร้อมที่จะบุดคนจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามจะสูญเสียใคยไปก็จะไม่เดือดร้อนใจจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปก็จะไม่เดือดร้อนใจจะเสูนเสียชีวิตของตนไตร่างกายของตนไตก็จะไม่เดือดร้อนใจเพราะมีธรรมที่จะมา หยุดความอยากละความทุกข์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตธภาวนาก็เพื่อที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวของอนิจจังของอนัตตาเช่นวันนี้ฝนตก เราก็ห้ามฝนไม่ได้จะสั่งให้ฝนหยุดก็สั่งไม่ได้ถ้าอยากจะให้ฝนหยุดเราก็จะทุกข์ใจกันแต่ถ้าเรารู้ว่าฝนเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสั่งไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ ถ้าเราไม่ไปสั่งไปบังคับไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะตกหรือไม่ตกก็จะไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนใจใจอย่างใดเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นรสผลสะพะก็ดีไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญก็ดีไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดี จะเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามัยปัญญาภาวนามัยปัญญานี้เป็นอย่างไรก็คือมีอยู่คู่กับใจตลอดเวลานั่นเอง ถ้าเป็นสูตรตามยปัญญาก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างฟังธรรมเวลาใดไม่ได้ฟังธรรมปัญญานั้นก็หายไปกินตาเมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นเวลาที่ได้มีการพิจารณาค่ายควรเวลาใดที่หยุดการพิจารณาหยุดการค่ายควรปัญญานี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญานี้ จะเป็นปัญญาที่อยู่กับใจตลอดเวลาเช่นมีมีความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจลักอยู่ตลอดเวลามีความรู้ว่าทุกเกิดจากปัญหาความอยากและปัญหาความอยากจะหายไปได้ก็ต้องมีมปัญญาที่เห็นใจรักอยู่ตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาเท่านั้น ถ้ามีปัญญาที่เห็นใจรักเห็นสุภาพตลอดเวลาเราก็จะเรียกปัญญานี้ว่าภาวนามยปัญญาผู้ที่จะสามารถจเจริญปัญญาแบบนี้ได้จิตจะต้องมีอัปปนาสมาธิเพราะถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิกิเลสจะดึงใจไปคิดทางกิเลสทันทีจะไม่คิดไปในทางใจรัก ไม่คิดไปในทางอสุภะจะคิดไปในเรื่องสุภะในเรื่องสุขนิจจงสุขขังอัตตาแทนที่จะไปคิดในทางอนิจจงทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาที่เรียกว่าอัปปนาอวนามยปัญญาจะต้องเป็นปัญญาที่อยู่คู่กับใจตลอดเวลา เหมือนกับอาวุธของทาหารเวลาออกรบในสมในสมอรบภูมินี้ทาหารจะกอดปืนนอนเลยพร้อมที่จะใช้ปืนได้ทุกเวลานาทีเวลาเกิดมีข้าสึกศัตรูรุกร้ำเข้ามาถ้าไม่กอดปืนไว้เอาปืนวางไว้ที่ใดที่หนึ่งพอเวลาหลับไปแล้วเกิด มีข่าศึกศัตรูรุกลามเข้ามาพอตื่นขึ้นมาจะคว้าหาอาวุธไม่ทันการจะถูกข่าศึกศัตรูฆ่าตายไปเสียก่อ น, นดันั้นใดสุดตตมายะปัญญาหรือจินตามายาปัญญาก็เป็นในลักษณะนั้นเป็นอาวุธเป็นปัญญาที่ไม่อยู่คู่กับใจตลอดเวลาอยู่เฉพาะเวลาได้ฟังเทศฟังธรรม เรียกว่าสุดตามยปัญญาอยู่เฉพาะเวลาที่ได้พิจารณาไข้ควรเรียกว่าจินตามายปัญญาเพราะสุดตามยะปัญญากับจินตามายปัญญานี้ไม่ต้องมีอัปปนาสมาธิหรือเพราะไม่มีอัปปนาสมาธิจึงไม่สามารถพิจารณาไข้ควรได้ตลอดเวลานั่นเองถ้ามีอัปปนาสมาธิ ออกจากสมาธิมาก็สั่งให้พิจารณาทางตายรักไปได้เลยพิจารณาอสุภะไปได้เลยแล้วพออุเบกขาอ่อนกําลังลงแล้วกิเลสตัณหาจะดึงใจให้ไปคิดในทางสุภะคิดในทางนิจจังสุขังอัตตาก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับเข้ามาในสมาธิใหม่เข้าไปสู่อัต ป, ปนาสมาธิให้จิต ตั้งอยู่ในความสงบสักด์แต่ว่ารู้ใหม่แล้วพอถอนออกมาก็เริ่มพิจารณาปัญญาต่อไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆอย่างนี้เวลาใดที่ไม่ได้พิจารณาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิทำอย่างนี้ไปสลับกันไประหว่างสมาธิและปัญญาต่อไป ปัญญาก็จะติดอยู่กับใจตลอดเวลาเพราะเวลาใดที่ไม่ติดอยู่กับใจใจก็จะกลับเข้าไปในสมาธิทันทีพอ ร, รู้ว่าเริ่มถูกอำนาจของกิเลสตัณหาฉุดลากให้ไปพิจารณาทางกิเลสแล้วนี่คือการสร้างภาวนา ป, ะะปัญญาด้วยการสนับสนุนของอัปปนาสมาธิ และอัปปนาสมาธิก็ต้องได้รับการสนับสนุนของศีลของนักบวชเช่นศีลตดศีลสิบศีล227ร้อ่แลศีล300กว่าศีล300กว่านี้ก็คือของภิกษุณีศีล227ิก็คือของพระภิกษุศีลสิบก็ของสามเณรและมัชี หรือศีลแปลของโอบาสกุบาสิกานี่คือศีลที่จะทําให้สมาธิมีอนิสงฆ์มากมีประโยชน์มากสมาธิที่จะทําให้ปัญญามีอนิสงฆ์มากมีประโยชน์มากก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาที่จะทําให้กิเลสทาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ โมหะอวิชชาตันหาก็คือต้องเป็นภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเหมือนกับอาวุธปืนที่อยู่คู่กับทาหารนักรบถึงขนาดเวลานอนหลับยังต้องหลับนอนกอดปืนหลับไปเั่นใดผู้มีปัญญาก็แบบนั้น จะมีจะมีปัญญาอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับจะคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี้จะมีปัญญามาประกอบเสมอเห็นอะไรก็จะเห็นว่าเป็นตายรักษณ์เสมอเห็นว่าเป็นอสุภะเสมอจะไม่ปล่อยให้ไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจะไม่ปล่อยให้ไปเห็นว่าเป็นสุภะว่าสวยว่างาว ถ้ามีปัญญาแบบนี้อยู่คู่กับใจแล้วกิเลสตัณหาต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็จะมีแต่จะต้องตายไปเท่านั้นพอกิเลสตัณหาตายไปหมดก็ไม่มีข้าศึกษัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไปภารกิจของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ก็มาสิ้นสุดลงเรียกว่าวุตสิตั ง, บ ร, รรงบรมจารย์เกิดในบรหมจาร์นี้ได้ถึงที่สุดแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วนี่แหละคือเรื่องของการบาเพ็ญของการปฏิบัติธรรมก็คือ เรื่องของการเจริญสีลสมาธิปัญญาดังที่ได้อธิบายมาสีนก็ต้องเป็นสีนแต่ขึ้นไปสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามยปัญญาแต่ก่อนที่จะเป็นสีนแต่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการรักษาสีล5ห้าไปก่อน ถ้ายังรักษาศีห้าไม่ได้จะไปรักษาศีแ8ได้อย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องหัดรักษาศีห้าไปก่อนรักษาศีห้าได้แล้วในวันพระเราก็มาลองรักษาศีน8กันพอ ร, รักษาศีน8ในวันพระได้ก็เพิ่มขึ้นอีกวันสองวันต่ออาทิตย์เพิ่มไปอาทิตย์ละสามวันอาทิตย์ละห้าวัน แล้วต่อไปก็จะสามารถรักษาได้ทุกวันรักษาทุกวันก็สามารถที่จะบําเพ็ญได้ทุกวันบำเพ็ญสมาธิได้ทุกวันสมาธิในเบื้องต้นก็จะต้องเป็นคณิกะสมาธิไปก่อนสงบเพียงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ถอนออกมาเพราะกําลังของสมาธิของสติที่จะทําทใจให้สงบนี้ยังมีไม่มากพอต้องหมั่นเจริญสติตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้ด้วยการพิจารณาความตายก็ได้ด้วยการดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายในทุกเกริยบทก็ได้เป้าหมายก็คือไม่ให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองพอใจไม่คิดใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบัน ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งสมาธิเวลาเข้าไปใหม่ๆก็จะอยู่สงบได้เดี๋ยวๆแล้วถ้าทำบ่อยๆขึ้นทำมากขึ้นก็จะสามารถอยู่ได้นานขึ้นจากนิส ก, ก็จะกลายเป็นอัปปนาสมาธิไปถ้าใจมีนิสัยที่จะออกไปทางอุปจารสมาธิจะไปรับรู้นิมิตต่างๆ จะไปมีอภิญญามีความรู้ความสามารถที่จะพบปะกับกายทิพย์ต่างๆหรืออ่านวาลจิตของผู้อื่นหรือละลึกชาติได้ก็อย่าไปสนใจในตอนนี้เพราะจะทำให้เสียเวลาเพราะอุปจารสมาธิจะไม่ สามารถสนับสนุนในการเจริญปัญญาได้ตอนนี้ต้องแขวนเรื่องของอุปจารสมาธิไว้ก่อนไม่ไปยุ่งเกี่ยวเหมือกับนักเรียนนักศึกษาอย่าไปสนใจกับกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่าไปทากิจกรรมต่างๆจนทําให้เสียการเรียนพอให้มุ่งไปที่ห้องเรียนไปเรียนหนังสือ เวลานั่งสมาธิเป้าหมายของผู้ปฏิบัติเพื่อดุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายก็คือต้องเข้าไปสู่ห้องที่มีแต่ความว่างความสงบปัสแจกเรื่องราวต่างๆปัสแจกนิมิตต่างๆปัสแจกอภิญญาต่างๆถ้าจิตไม่เข้าไปก็ต้องใช้สติดึงเข้าไปและถ้าจิตจะออกไปทางอุอปจาระ สมาธิก็ต้องดึงจิตให้กลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิให้ได้ให้จิตเม่งเฉยเฉยสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอยู่ให้นานที่สุดเท่าจิตยนามาได้จนกว่าจิตจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาก็ออกมาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการสาสบสองพิจารณา ความไม่น่าดูน่ารับประทานของอาหารนี่เป็นเรื่องของปัญญาให้พิจารณาอยู่จนกว่าหมดกำลังที่จะพิจารณาได้ก็ให้ย้อนกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิใหม่อย่าไปทางอุปจารสมาธิเพราะถ้าไปทางอุปจารสมาธิเวลาออกมาจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจไปพิจารณาปัญญาได้ ถ้าไม่พิจารณาปัญญาจิตก็จะไม่มีวัหนหลุดพ้นได้แต่ให้มีความสามารถวิเศษขนาดไห น, นเพาะเห้นเดินอากาศได้คุยกับเทวดาได้อ่านวารจิตของผู้อื่นได้รัลึอกชาติได้ปิญญาความรู้ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นต้องเป็นภาวนามายะปัญญาเท่านั้นคือความรู้ความจริงความรู้ในใจรักความรู้ในอริยสัจส์ที่มีอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเท่านั้นจึงจะสามารถทำลายกิเลสทังหาที่ออกมาก่อกวนสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ทุกเวลาถ้าเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ ไม่อยู่ตลอดเวลาไม่พร้อมตลอดเวลาเวลากิเลสตัณหาออกมาก่อกวนก็จะไม่ทันจะสู้กิเลสตัณหาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่อยากจะฆ่ากิเลสตัณหานี่จะต้องเจริญใจรักเจริญอริยสัจสีอยู่เรื่อยๆหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วแล้วถ้าไม่เจริญก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ แสดงว่ากำลังที่จะใช้ในการเจริญนั้นหมดแล้วต้องกลับไปชาร์จแบตใหม่ไปเติมกำลังใหม่ต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิใหม่พอเติมกำลังแล้วพอออกมาก็พิจารณาใหม่พิจารณาไตรลักษ์พิจารณาอาริยสัจสีพิจารณาอสุภะใหมาททาอย่างนี้สลับไปสลับมาต่อไปใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมา จะมีปัญญาคู่อยู่กับใจตลอดเวลาแล้วก็จะพร้อมที่จะทำลายกิเลสตัณหาที่โผล่ขึ้นมาได้ตลอดเวลากิเลสตัณหาก็จะถูกปัญญาทาลายไปจนหมดสิ้นไปพอกิเลสตัณหาถูกปัญญาทาลายหมดสิ้นไปจิตก็เป็นจิตที่สะอาดโดยสุดจิตที่สะอาดโดยสุดนี่ก็คือจิตที่เรียกว่านิพพานนี่จิตที่ ได้บรรลุถึงนิพพานวูกสิตัง ร, รมัจจาเลยาคืองานของของพรมอาจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อจิตได้บริสุทธิ์แล้วได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วคือปาสจากิเลตตันหาแล้วนั่นเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วชา ต, ติต่อไปไม่มีแล้วสำหรับจิตดวงนั้น นี่คือผลที่จะได้รับจากการเจริญศีน ส, สมาธิปัญญาอย่ามองข้ามทำข้อใดข้อหนึ่งไปในทำทั้งสาข้อนี้โดยเด็ดขาดมีความจมีความสำคัญทั้งทั้งหมดจำเป็นจะต้องมีทั้งหมดเหมือนกับรถยนต์จำเป็นจะต้องมีน้ำมันมีล้อถ้ายางแตกก็ไปไม่ได้ถ้าน้ำมันหมดก็ไปไม่ถึง นี่คือเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมกันเรามาสร้างสีนสมาธิปัญญากันเป็นขอฝ่าเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติของการเจริญสีนสมาธิปัญญาให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจรารณาเพื่อการดุพ้นของจิตจากกิเลสตัณหาจาก ความทุก์จากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาตุลาตาริตุเรนติสาสลังเอวเมวะอิโตทินังเฟตานาังอุปกาปติ อิชีตังปัตถีตังตุมหางคิตเมวะสนิจจัตุสะเพปโวเรนตุสังกตาจันโทตนระโสยะานาิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัเพโรโควินักสตุ มาเตภวตวันตาาโยสุขีธีชายุโกภาอภีวาธนศีลสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาง ต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็สามารถที่จะถามผ่านทางไมโครโฟนได้อขอเชิญถามได้เลยถ้าพร้อมกาบนุสการขอากาศพระอาจารย์ทางถ้มครับ <c oughs> ผมฟังดีวดีของหลวงตาหล า, หลายชุดนะครับท่านท่านเตือนว่าท่านเคยมีภาวะจิตเสื่อมมา เนื่องจากว่าท่านไม่ได้บริกรรมท่านแค่กำหนดจิตรู้เฉยๆทีนี้ผมเลยมีความเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวกิเลสบทต่างๆเนี่ยจำเป็นไหครับที่เราจะต้องมีคำบริกรรมกํากับไปด้วยก่อนเบื้องต้นแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลืนหายไปอันนี้มีความจาเป็นไหมครับอาจารย์ครับก็อยู่ที่ว่าเรามีความคิดตรงตันหรือเปล่า ถ้าเราไม่ได้คิดปรุงแต่งแล้วเราจดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้เพราะเป้าหมายนี่อยู่ที่การหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาก็ดีเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ต้องการให้จิตทางานไม่ต้องการให้ความคิดทางานต้องการ่าหยุดความคิด ถ้าเราไม่สามารถใช้สติจดจอดูกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและหยุดความคิดปรุงแต่งได้เราถึงต้องใช้คำบริกรรมมากากับอีกเช่นกำลังดูการเคลื่อนไหวกำลังเดินจงกรมอยู่ในดูซ้ายขวาแต่มันยังอดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้คำบริกรรมเข้ามาช่วยตัด คือทีนี้ถ้าผมก็ใช้พุโทโธอยู่พุโทโธครับทีนี้เอผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นพุทธานุสติอจําเป็นไหมครับว่าเวลาเราเรารู้ถึงพุโทโธเนี่ยาจาเป็นจะต้องคิดถึงคุณงามความดีของพุทธเจ้าแล้วถ้าสมมติผมแค่พุโทโธไปเฉยเหมือนท่องศับอะครับมั น, ม น, มนอั่า ง, งไรก็ได้คือเป้าหมายคือไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองจะคิดอย่างอื่นก็ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ได้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตก็ได้ คิดแล้วทำให้เราไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ได้ขอบพระคุณครับมีครัยากระถามเหออยู่ข้างหลังเนะี่ยแว่นแว่นสองให้แว่นหน่อยครับสามนวมัส ก, การพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าวสินแต่นี้ถ้ารักษาอยู่บ้านขนาดทำงานด้วยนี้มันได้ไหมครับ ถ้ารักษาได้ก็ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ไม่คือมันไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้ไม่เพราะว่ามันไม่ได้นุ่งขาวหมขาวครับผมอ๋อไม่เกี่ยวสีนแต่ไม่ได้บอกว่าต้องนุ่งขาวไม่ต้องโกนหัวอไม่ต้องใส่ครับรถก็ได้ใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ถ้าขับรถไปชนคนตายนี่มันก็อาจจะศีอเพราะว่าอเพื่อนว่าบางทีข่าบล้มเหยียบมดเหยียบไรด้วยครับผมใช่มันก็เสี่ยงหน่อยเสี่ยงนีดแต่ถ้า แต่ถ้ามันตายเพราะไม่มีเจตนาก็ยังไม่ถือว่าผิดศีนะเนี่ยเช่นพ้าเดินไปเหยียบมดก็ได้มองไม่เห็นหมดก็ตายได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเจตนาใช่ไหมครับอยู่เจตนาอ่าครับผมแล้วอีกข้อนึงคือที่อาจารย์ว่าพิจารณาอัปปมาอะไรเนะี่ยอัปปมาสมาธิครับ คื อ, อคื อ, คอถอนออกมาแล้วค่อยมาคิดหรือคิดในขณะที่นั่งครับถอนออกมาแล้วก่อนเวลาเวลาอยู่ในปนาสมาธิไม่คิดอะไรจิตพักเงี่ยนนอนหลับพักผ่อนคนนอนหลับพักผ่อนไปทำงานได้ไหมไม่ไม่ได้ต้องเติมขึ้นมาแล้วออกไปทำงานเวลาพักผ่อนเวลาอยู่ในปนาสมาธิจิตหยุดคิดเงี่ยเวลาเจริญปัญญาจิตต้องใช้ความคิดคิดไปในทางไตรักคิดไปในทางอสุภาพ อ๋อคืออันนี้ลึบตาออกมาเลยใช่ไหมครับผมก็ออกมาเนี่ยยังนั่งคุยกันอย่างเนี้เออกมาเพราะทีเข้าใจยากนิดนึงครับผมเลยต้องถามครับเข้าใจแล้วอย่างเพราะยังไม่เคยเจอปัญหาสมาธิมันก็เลยเข้าใจยากเข้าครับถ้าเจอแล้วมันก็จะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรครับผมแล้วก็อ่า การนั่งสมาธิก็ผมดึงสติมันยากมากอ่าอาจารย์มีอุบายหรือเทคนิคอะไรไหมครับอ๋อก็ขอให้ทำบ่อยๆทําเรื่อยๆเหมือนเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่เนี่ยท่องไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ใจร้อนแต่อยากได้ผลขี้เกียจแต่อยากได้ผลเร็วนี้ไม่มีวันที่จะได้ครับผม ต, ต้องขยนันพุโทโธรไปเรื่อยๆพอพอรู้ว่าลืมพุโทโธรก็พุโทโธมันขึ้นมาทันที พุโทโธไปเรื่อยๆวันหนึ่งพุโทโธได้สักกี่ครั้งเคยเคยจดลองสถิติบ้างไหมไม่เคยเอคลองลองลองไปทําสถิติดูถึงจะได้รู้ว่าเราเพียนมากเพียนน้อยทํามากทําน้อยนตะอนนี้พุโทโธได้กี่นาทีลองไปจดเวลาดูเอา่าปุ่มครับหมดคาถามแล้วครับเอา่าดี <laughs> อา้าวเอากลับมา <laughs> ทางนี้ คำถามจาก facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณรัชยาสารธรรมโยมขอเรียนสอบถามเรื่องการปฏิบัติว่าจําเป็นหรือไม่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีวิปัสสนาจารย์ที่ปฏิบัติแนวทางเดียวกันเช่นโยมปฏิบัติแนวดูกายเคยสอบอารมณ์กับวิปัสสนาจารย์ที่สอนโยมปฏิบัติกับ วิปัสนาจารย์ที่ปฏิบัติแนวดูจิตหรือแนวอื่นพบว่าท่านวิปัสนาจารย์ทั้งสองกลุ่มให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสภาวะธรรมต่างกันค่ะเวลาเราไปศึกษากับใครเราก็ต้องต้องดูว่าเขาสอนตรงกับที่เราปฏิบัติหรือไม่ ถ้าไม่ตรงเราก็ต้องถามตัวเราดูว่าของใครถูกของใครไม่ถูกถ้าของเราไม่ถูกของคนสอนถูกเราก็ต้องเปลี่ยนการปฏิบัติของเราให้ไปตรงกับคาสอนของคนสอนถ้าเราคิดว่าเราถูกเขาไม่ถูกเราก็ไม่ต้องไปเรียนกับเขามันก็มีอยู่เท่านั้นคำถามตอบต่อมาจากคุณรุนีอีคิวค่ะ ดิฉันอยากกล่าบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิคือพอดิฉันนั่งสมาธิก็จะเกิดอาการเห็นตัวเองอยู่ในสภาวะที่น่าเกลียดคือตายขึ้นอืดเน่าเหม็นน่าขยะขขยงจนอาเจียนออกมาหลายๆรอบ ครั้งแรกที่อาเจียนจนน้ำหูน้ำตาไหลออกมาเลยพอปฏิบัติอีกหลายๆครั้งก็แค่อาเจียนเฉยเฉยไม่มีอาการแบบครั้งแรกขอพระอาจารย์กรุณาชี้แนะแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะคือถ้าถึงขั้นอาเจียนถึงขั้นมีปฏิกิริยาก็ไม่ควรที่จะไปพิจารณาภาพเหล่านั้น ถ้าปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ดึงใจเข้าไปในอัปปนาสมาธิก่อนให้ใจเข้าไปอยู่ในความว่างความสงบความนิ่งก่อนเพื่อใจจะได้มีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาที่สร้างปฏิกิริยาต่อภาพเหล่านั้นถ้าใจไม่มีสั乌เบขาไม่มีกำลังเวลาเห็นอะไรมันจะถูกกิเลส ทําพาไป ท, ทันทีเห็นภาพที่ชอบก็จะเกิดความใคร้ขึ้นมาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็จะเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาถึงกับอาเจียนขึ้นมาแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่วิปัสสนาภาพที่เห็นนี้ถือว่าเป็นภาพอสุภะเป็นวิปัสสนาเรายังจิตไม่กล้าพอไม่แข็งพอเหมือนกับ คนไปดูเขาผา่าศพบางคนไปดูแล้วก็อาเจียนนั่นแสดงว่ายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาพอเห็นภาพแล้วมันสะเทือนใจกิเลสมันแสดงอาการขึ้นมาทันทีถ้าเห็นภาพแล้วใจเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรหรือว่ารู้สึกแต่ก็พอที่จะควบคุมได้ถึงควรจะดู ก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาได้ต้องมีอปปนาสมาธิมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อนถึงจะสามารถมองด้วยจิตใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาได้การมองแล้วเกิดอาการแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นวิปไม่ได้เป็นการดับกิเลสเพราะอาการเหล่านี้เกิดจากกิเลส น, นั่นเองอาการของธรรมนี้จะต้องสักแต่ว่ารู้เฉยๆเท่านั้น ดังนั้นถ้านั่งสมาธิไปแล้วเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมาอย่าไปตามรู้พยายามกลับมาสู่การบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออจเจริญสติใช้สติดึงใจให้เข้าไปในความว่างก่อนเข้าไปในอัปปนาสมาธิก่อนแล้วถ้ามีกำลังแล้วทีนี้พอเห็นภาพแล้วสักแต่ว่ารู้ได้แล้วค่อยดูไปค่อยดูแล้วก็ดูบ่อยๆกาหนดขึ้นมาบ่อยๆ ถึงเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ออกมาก็ให้กําหนดนึกถึงภาพนั้นต่อไปเพื่อให้ไม่หลงไม่ให้ลืมเวลาเกิดการมารมณ์ขึ้นมาจะได้นึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วภาพเหล่านั้นก็จะมาดับการมารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้คําถามต่อไปค่ะจากคุณเทียนอึงค่ะขออนุ ญ, ญาตถามคําถามพระถามราคาพวงมาลัย พอตัดสินใจซื้อห้าพวงพ่อค้าใส่ถุงรอรับเงินพระกลับบอกว่าขอบินทบาตอย่างนี้สมควรไหมคะไม่ใช่เรื่องของเราที่เกียดวิพาค์วิจารณ์คำถามต่อมาของจากคุณเอภิชานค่ะออขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะเราสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติภาวนาอย่างไร ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเช่นนิสิตอยู่ในหอพักที่มีรูมเมทไว้ทำงานที่อยู่คอนโดมีเพื่อนบ้านดูละครดูบอลในร้านกาแฟที่มีเสียงคนสนทนาจอแจก็รอให้เขาหลับนอนก่อนแล้วเราค่อยมาภาวนาเรานอนก่อนตอนที่เขามีเสียงจอแจเราก็นอนกัน แล้วเตือนมาตีสาตีสี่เขานอนหลับกันแล้วรอค่อยมาภาวนาเพราการภาวนาใน่ามกลางที่มีเสียงดังนี่มันลาบากยากที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้เนี่นอย่าไปต้านกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นควรที่จะปรับตัวเองปรับเวลาของเราให้เหมาะสมจะดีกว่าอย่างมีท่านหนึ่งที่มาอยู่วัดอยู่ใกล้สถานที่ที่มีคนเขามาท่องเที่ยวมาดูสถานที่ของวัด ท่านก็ใช้เวลานั้นพักผ่อนหลับนอนนอนตอนกลางวันแล้วพอตอนกลางคืนไม่มีใครมาเที่ยววัดก็ออกมาภาวนาเฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องปรับเวลาของเราเวลาที่ที่มันรบกวนต่อการภาวนาก็อย่าเพิ่งไปภาวนาเราเอาเวลาที่มันไม่ไม่รบกวนไม่มีเสียงดังแล้วค่อยออกมาภาวนาจะดีกว่า คำถามต่อมาจากคุณเปียออนขามวันพระอาจารย์เจ้าคะมีพระท่านทักแฟนสีกาว่าสีกาเป็นคนมีกรรมดวงไม่มีคู่แท้แล้วก็ไม่ใช่คู่ของแฟนคะ่ะทีนี้ก็เกิดความสั่นคลอนขึ้นจริงหรือเปล่าคะหากจริงควรแก้ไขอย่างไรคะ ไม่อยากจะตอบกับเรื่องราวเลยนี้บ้านเรื่องบ้ากบอคอแตกกันคำถามต่อมาจากผู้ตากถามค่ะกราบขอการบ้านจากพระอาจารย์ค่ะหนูขอวิธีแก้ไขปัญหาในใจเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์การกระทำและคำพูดที่ไม่ชอบที่มากระทบใจให้วาวุ่นขุ่นัว หนูรู้ว่าถ้าใจมีอุเบกขาจะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ระหว่างการเดินทางให้ไปถึงอุเบกขานี้หนูจะทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านี้เพราะบางครั้งบางคำพูดของใครบางคนก็ทำให้หนูทุกข์อยู่หลายวันที่ทุกข์เพราะต้องจัดการที่ใจแก้ให้จบที่ใจโดยไม่สนใจคนพูด ทั้งที่ก่อนปฏิบัติธรรมหนูจัดการที่คนพูดถึงหนูไม่เอาคืนคนพูดแล้วแต่บางครั้งคําพูดมันก็รีเพลในใจหนูซ้ําไปซ้ํามาทําให้หนูไม่สงบเหมือนมีสนามรบในใจเหมือนมีกองไฟในใจทําไมหนูไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้อย่างสบายในระหว่างที่หนูเดินทางไปหาอุเบกขา เพราะไม่ไม่ทำอย่างต่อเนื่องไม่เจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องความคิดปุงแต่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ดัง น, นั้นต้องพยายามเจริญสติให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้ขันติทนไปหรือใช้เมตตาเมตตาก็คือให้อภัยอย่าไปถือโทษกดเครืองหรือจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่า เป็นเสียงที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับเสียงฝนตกในขณะนี้จะไปสั่งให้มันหยุดก็หยุดไม่ได้ดังนั้นถ้ามันอยากจะดังก็ปล่อยมันดังไปถ้าเราไม่มีไปไม่มีความอยากที่จะต่อต้านเสียงเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นก็จะไม่มีปัญหาปัญหาของเราอยู่ที่เราไม่อยากจะฟังคําด่าคําติเตียนคํำคอรหานินทาเราชอบฟังแต่คํา ชมคําสรรเสริญเยินยอดัองนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าคําพูดไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญเยินยอหรือนินทานินทากาเลมันเป็นธรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เป็นโลกธรรมทุกคนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัสทั้งสรรเสริญและนินทามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา มีสุขก็ต้องมีทุกข์ที่ทุกข์กันก็เพราะว่าอยากจะให้มีแต่สรรเสริญอยากจะให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้ายอมรับทั้งสรรเสริญทั้งนินทาทั้งสุขทั้งทุกข์ใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบคำถามต่อมาค่ะจาอีกท่านหนึ่งนะคะไม่ประสงค์ออกนามการเจริญมรณ า, านุสติจเจริญอย่างไรคะ ดิฉันเคยอ่านวิธีในหนังสือแต่ไม่เข้าใจว่าทําอย่างไรเราจะรู้สึกว่าความตายมีอยู่ทุกขณะจิตสัตว์ที่มีการเกิดก็ต้องตายทุกตัวเราควรที่จะละราคาโทสะของเราอย่างนี้ถูกไหมคะคือความตายนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องคนอื่นอนะเรื่องของเราก่อนเนี่ยคิดถึงตัวเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เอาแค่นี้ให้ได้ก่อนหรือถ้าจะคิดถึงคนอื่นก็เอาคนที่เรารักก่อนคนที่เราไม่อยากให้ตายก็ต้องพยายามคิดว่าเขาก็ต้องตายเหมือนกันถ้ายังไม่เห็นความตายก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็ได้ไปเยี่ยมสุสานก็ได้ไปที่เมรุก็ได้ไปดูความจริงว่าเนี่ยคนทุกคนที่เกิดมาแล้วในที่สุดก็จะต้องเจอกับสภาพนี้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา ให้พิจารณาอย่างนี้ไปถ้าคิดแล้วมันไม่มีน้ำหนักพออย่างที่อบอกว่าสิบปากว่าไม่ไม่เท่ากับหนึ่งตายเห็นก็ต้องไปดูคนตายไปดูที่โรงพยาบาลก็ได้ไปขอเขาไปดูซากศพที่เขาเก็บไว้ในห้องดับจิต อ, อยากจะดูคนตายหน่อยว่าเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรก็อยากจะรู้อนาคตของหนูว่าต่อไปหนูเวลาหนูตายหน้าตาของหนูจะเป็นอย่างไร คือเห็นข้างนอกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ข้างในคือตัวเราเห็นคนตายแล้วก็ต้องมานึกถึงว่าเราก็ต้องตายเหมือนเขาให้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็มาคิดอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความตายนี่มันจะอยู่ใกล้ใจเราแล้วจะทําให้เราไม่หลงกับชีวิตแล้วเราจะไม่ต้องกลัวกับความตายต่อไป คำถามต่อมาค่ะเวลาเรามีความโกรธขึ้นมารู้ว่าไม่ดีถ้าพูดหรือทำสิ่งนี้ลงไปแต่หยุดไม่ได้ต้องทำทุกทีทำอย่างไรดิฉันจึงจะระ ง, งับความโกรธนี้ได้คะถ้ามีสติก็ใช้สติหยุดไปก่อนใช้พุโทโธหยุดไปก่อนเวลาโกรธอยากจะพูดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไป แล้วถ้าอยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ถอยออกไปก่อนไปหามุมสงบที่ไหนอยู่ตามลาําพังแล้วก็บริกรรมพูดโธพูดโธไปจนกว่าความโกรดนั้นจะหายไปแล้วค่อยออกมากลับสู่สภาพปกติต่อไปถ้าอยู่ในเหตุการณ์บางทีมันอดไม่ได้เห็นแล้วมันก็อดที่จะพูดอดที่จะทําไม่ได้ก็ต้องปลีกตัวไป ไปหาหมุมสงบไปเข้าห้องน้ำก็ได้ไปนั่งพุโทโธอยู่ในห้องน้ำก็ได้จนกว่าความโกรธมันจะหายไปแล้วค่อยออกมาคำถามต่อมาค่ะอโทสะเหมือนกับเมตตาหรือไม่คะเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ตึงดับโทสะด้วยเมตตาท่าอัโทส ะ, ทสะแล้วทำไมล้ ว, ว่าเลย เหมือนกับเมตตาไหมคะอโทสะอาโทสะก็ไม่ไม่โทสะใช่ไหมไม่โทสะก็ไม่โกรธไม่โกรธก็ไม่โกรธมันจะไปเป็นเมตตาตรงไหนเมตตาคือการไม่จองเวรไม่ถือโทษโกรธเคืองคนที่ทำให้เราโกรธให้อภัยถ้ามีเมตตามันก็จะดับความโกรธได้คำถามต่อมาค่ะจะวัดอย่างไรว่าอะไรที่คิดแล้วเป็นธรรม หรือคิดตามคําสั่งของกิเลสเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากําลังตามกิเลสคะถ้าเราไม่มีสมาธิมาก่อนนี้จะดูยากแต่ถ้าเรามีสมาธินี่เราจะเห็นว่าความคิดอันใดที่ทําให้ใจกระเพื่อมทําให้ใจร้อนอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสความคิดอันใดที่ทําให้ใจสงบทําให้ใจเย็นอันนั้นก็เป็นธรรม ปกติถ้าเราใจเราไม่มีความสงบเราจะไม่ไม่มีเครื่องวัดความคิดของเราว่าความคิดของเรานี้เป็นธรรมหรือเป็นกิเลสเหมือนกับเวลาไม่มีตาช่างมาวัดน้ำหนักของเราเราก็จะวัดไปตามความรู้สึกของเราโอ้ยไม่หนักไม่ไม่มากหรอกไม่อ้วนหรอกดูกระจกทีไรก็ไม่อ้วนแต่พอไปช่างน้ำหนักเข้ายิงจิงโงนมันร้อยกว่าไปแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเวลาคิดอะไรเรามักจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นกิเลสหรอกถ้าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีเครื่องวัดนแต่ถ้าใจเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเนี่ยเวลาคิดอะไรถ้าคิดแล้วทําให้ใจไม่สงบก็แสดงว่าเป็นกิเลสถ้าคิดแล้วทําใจให้สงบก็เรียกว่าเป็นธรรมอย่างนั้นถ้าอยากจะมีเครื่องวัดกิเลสกับธรรมก็ต้องทําใจให้สงบให้ได้ คำถามจากผู้ฝากถามค่ะกล่าบเรียนพระอาจารย์กระผมได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังสนทนาธรรมกับโยมอยู่แล้วท่านก็ได้พูดออกมาว่าเราสบายแล้วเราบรรลุธรรมแล้วแต่พอท่านคุยกับโยมไปอีกสักพักท่านก็พูดจาเสียสีพระรูปอื่นกระผมไม่ได้สนใจจึงฟังต่อไป ท่านก็ได้พูดจ า, าพาดพิงถึงพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ผมเคารพอย่างสูงทำให้ผมรู้สึกไม่พอใจคำถามคือข้อหนึ่งผมควรใช้ธรรมะใดในการระงับอารมณ์ที่ผมไม่พอใจพระรูปนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันจริงหรือไม่จริง แล้ถ้าเป็นจริงก็ไม่ควรที่จะมีอารมณ์ไม่จริงก็ไม่ควรจะมีอารมณ์ถ้าจริงก็เราก็พิจารณาดูว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์กับเราได้หรือเปล่าถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็โยนทิ้งไปเวลาใครเขาพูดอะไรให้พิจารณาอย่างนี้เวลาเขาด่าเราเขาชมเราก็แบบเดียวกันเวลาเขาชมเราจริงหรือเปล่า เขาว่าเราสวยเราสวยจริงหรือเปล่าเอเราไม่สวยเขาว่าเราสวยเราไปเชื่อเขาเราก็โง่อกีกเดี๋ยวก็โดนเขาหลอกเพราะเขาหวนยอเรานี่แสดงว่าเขากําลังจะมาป้นเรามาจี้เราพอให้เราตายใจพอเราตายใจเดี๋ยวก็ขอยืมเงินขอนู่นขอนี่เข้ามาเอังนั้นระวังเวลาคนชมเราพูดในสิ่งที่ไม่จริงชมว่าเราดี แต่เราไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดนี่ต้องระวังแล้วว่านี่เขากำลังจะใช้คำชมนี่มาเป็นช่องทางในการที่จะมาป้นมาจี้เราเพรานั้นเวลาที่ใครเขาพูดอะไรจริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์ก่อนเขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องพิสูจน์ดูก่อนว่าเราไม่ดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราไม่ดีจริงเราก็ต้องยกมือไหว้เขาเพราะถือว่าเขาชี้คุ้มรั์ให้กับเรา เพราะว่าบางทีเรามักจะมองไม่เห็นโทษของเราโทษของเราจะใหญ่เท่าภูเขาเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนผงทุลีแต่โทษของคนอื่นแม้จะเป็นผงธุลีกลับไปเห็นว่าเท่าภูเขานี่คือลักษณะการมองตัวเรากับมองคนอื่นจะเป็นอย่างนี้เราจะมีอคติเราจะเข้าข้างตัวเราเสมอดังนั้นถ้ามีคนที่เขามาพูดความจริงให้กับเราโดยไม่มีอคติพูดตามความจริง เขาว่าเราไม่ดีแล้วเราพิจารณาดูก็ไม่ดีอย่างที่เขาพูดเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราใหม่เขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเวลาที่เราจะออกจากบ้านมานี้เราต้องดูกระจกก่อนใช่ไหมว่าทาคิ้วถูกก็เปล่าทาปากถูกก็เปล่าไม่ใช่เอาไ อ, ไอ้ไอ้ที่ทาปากไปทาคิ้วแล้วเอาไอ้ที่ทาคิ้วมาทาปากเราดูกระจกว่าเมันไม่ใช่นี่ใช่ไหมนี่แหละกระจกเขามีหน้าที่อย่างนั้น เขาชี้ผิดชี้ถูกให้กับเราคนที่เขาชี้ผิดชี้ถูกให้กับเราเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนกับกระจกอย่าไปโกรธเขาถ้าเขาบอกในสิ่งที่มันเป็นความจริงเพราะว่าเราจะได้แก้ไขดัดแปลงตัวเราเองถ้าเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็จะได้แก้ไขได้เช่นแต่งหน้าทาปากไม่ถูกกระจกมันก็ฟ้องบอกเฮ้ยแต่งหน้าแบบนี้มันเป็นผีมันไม่ใช่เป็นคนเราก็จะได้แก้ใหม่ แต่งหน้าทาปากให้มันเป็นคนไม่ให้เป็นผีนี่คือการฟังใครเขาพูดอะไรจะดีหรือไม่ดีจะชมหรือจะด่าให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขาพูดแล้วไม่จริงเขาว่าเราไม่สวยหรือว่าเขาว่าเราเร็วเราไม่ดีแล้วเราพิจารณาดูเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนตาบอดไปกะแล้วกันมองไม่เห็น เหมือนคนตาบาดมองไม่เห็นเขาก็จะพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเราก็อย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาคนจะสมเพศเขาว่าคนนี้มีอคตอิไม่ชอบเราไม่เกลียดเราก็เลยพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีว่าเราต่างๆนานาเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นปากของเขาแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเรา ใจของเราอย่าไปโกรธอย่าไปมีความรู้สึกมันก็จบเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปไปสั่งให้เขาพูดแต่เรื่องดีๆไม่ได้ mm hmm. เขาอยากจะดา่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ถ้าเราห้ามใจของเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะสบายจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใครจะดา่าใครจะว่าอย่างไรก็จะไม่รู้สึกอะไรอ นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาและปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเราจะต้องไม่สะทกสะท้านต่อคำขราหานินทาหรือคำสรรเสริญยกย่องเยินยอใครจะยกย่องเยินยออย่างไรก็อย่าไปดี อ, อกดีใจใครจะด่ายอย่างไรก็อย่าไปเสียใจขอให้คิดว่าเป็นปากของเขาเป็นเสียงของเขาเราเอาตรงที่เหตุผลก็พอว่าจริงหรือไม่จริงเท่านั้น เพราะว่าถ้าเขาว่าเราดีแล้วมันจริงก็ดีไปถ้าเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีเรอไม่ดีจริงเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นมาเท่านั้นเองคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าพระรูปนี้บรรลุธรรมแล้วจริงหรือเปล่าเ อ, อเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวข้องด้วย <c oughs> เราจะบรรลุไม่บรรลุคุณก็ไปถามเขาดูเลย มีคำถามค่ะหากผมเกิดหากผมไม่เกิดความศรัทธาในพระรูปนี้ผมจะดาบหรือไม่ครับเพราะว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่กันแล้วกันคำถามค่ะหนูตกค้างจากเฟซค่ะจากคุณกอ๊อฟคำถามยาวนะคะขอสรุปจากที่ได้อุบายเรื่องบรณานุสติที่เห็นตัวเองนอนในโลงศพ ทั้งในสมาธิและเวลาปกติซึ่งปรากฏในสมาธิคือมันเกิดอาการเสื่อมของสังขารเห็นหนอนชอนชัยร่างกายและพอเผาไฟก็เกิดอาการสงสารหนอนจึงหยุดจำไม่ได้ว่าหนอนหายไปไหนแต่ไฟก็สามารถเผาร่างได้พอเผาร่างกายเสร็จผมก็มีความรู้เรื่องปฏิจะ สมุทบาทดีใจมีปิติมันหมุนไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่ทราบจำความรู้ในขั้นนี้ไม่ได้แต่ทราบว่าดีใจปิติแล้วความรู้นั้นก็ดับพูดหายไปหมดที่เล่ามานี้อย่างเรียนถามว่าเวลาพิจารณาอีกใช้อาการที่ชัดคือไม่กลับไปกลับมา หรือเอาอะไรพิจารณาครับยังลังเลแต่ในระหว่างวันก็พิจารณาตัวเองในลงที่ผมเล่ามานี้ถูกหรือผิดครับก็พิจารณาความตายของร่างกายเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายถ้ายังทุกข์ยังวิตกยังกังวลยังหวาดกลัวอยู่ก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะยอมรับความจริงอันนี้ ถ้ารับไม่ได้แสดงว่ากิเลสยังต่อต้านอยู่ก็อาจจะต้องกลับไปทำสมาธิให้มากมากก่อนเพื่อตัดกำลังของกิเลสเพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาความตายไปถ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนกับความตา ย, าตายก็ถือว่าผ่านไปในขั้นการทาการบ้านยังไม่ได้ผ่านอย่างแท้จริงขั้นต่อไปก็ต้องไปหาความตายไปอยู่ใกล้ความเป็นความตายดูว แล้วดูว่าใจจะรู้สึกเดือดร้อนกับความตายหรือไม่เช่นผ้าที่ไปอยู่ในป่าเปี่ยวโดยคนเดียวอยู่ท่ามกลางสิงสารสาัตว์อยู่กับสิ่งที่เป็นภัยอันตรายรอบด้านจะรู้สึกมีความกลัวหรือไม่ถ้ามีความกลัวตายก็แสดงว่ายังไม่ผ่านถ้ามีความกลัวตายแล้วใช้ความตายนี้มาพิจารณาจนยอมรับความจริงได้ว่ายังไงยังไงก็ต้องตาย ไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือกลับไปอยู่ที่บ้านหรือที่วัดก็ต้องตายเหมือนกันแล้วถ้าสามารถยอมรับได้ปล่อยวางร่างกายได้ความกลัวตายก็จะหายไปอันนี้ก็จะเป็นการผ่านอย่างแท้จริงคือต้องผ่านด้วยการเข้าห้องสอบการพิจารณาในขณะที่เราอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างตอนนี้เราพูดถึงความตายกันได้เรายย้มเมนได้เราไม่เดือดร้อนกัน เพราะเรายังไม่เจอความตายนั่นเองเราต้องไปเจอความตายก่อนเมื่อเจอความตายแล้วดูว่าเราจะยิ้มได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปขออ น, นุญาตย้่าถามข่าพอดีมีคนอยากถามก่วละศการทานอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่าพอดีมีการบ้านที่จะเรียนถามจากเมื่อวานได้คำตอบคำตอบหนึ่งจากผู้ถามทาง f a c e b o o ค่ะว่า ถ้าภาวานาแล้วพุโทโธหายไปตัวเองก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกให้ตามลมหายใจเทีนี้เมื่อวานตอนเสวตมนตนะคะก็ภาวานาตามลมหายใจปไปเรื่อยๆแล้วพุโทโธก็หายไปแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าในขณะที่ตัวเองนั่งเนี่ยขากับมือตัวเองเนี่ยเหมือนเหมือนมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า อ, อมันมีอยู่ะค่ะจากนั้นเนี่ยก็พยายามตามรู้ไปเรื่อยๆ ดังเองเป็นจังหวะที่จะต้องบทเวลานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ต่อ mm. ก็เลยเป็นไปก่อนนอนก็เลยได้ไปนั่งลองนั่งสมาธิทีนึงจัดชื่ตเตองพอนั่งไปแล้วมันก็มีอาการเดิมขึ้นมาแล้วก็เหมือนเหมือนทีเนี้มันจะเหมือนว่าตัวเองอะ่ะมันจะรวมเป็นก้อนเป็นก้อนกับทั้งขาแล้วก็มือที่ที่ขยายขยายขึ้นนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยลมหายใจมันก็น้อยน้อยจนเหมือนว่ามันลิบหรี่มากเลยแต่ว่า คือพยายามพยายามตามรู้อยู่ตลอดเนื่องจากได้เคยอ่านของหลวงตาหลวงตาท่านก็เคยบอกว่าไม่ต้องกลัวที่ที่จะเราจะตายก็ให้ตามรู้เร า, าหายใจไปเรื่อยๆพยายามฝืนเหมือนว่าพอตัวพอตัวเอ็มันจะเอ็นลงไปรวมก้อนกับกับขากระมือเนี่ยค่ะก็พยายามตอนนั้นลองขอลองพยายามฝืนตัวเองว่าถ้าตัวเองพยายาม ต, ตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็สรุปก็คือรู้สึกมีอาการปวดหัวขึ้นมาค่ะแต่ก็แป๊บเดียวก็หายไป จากนั้นก็เลยนั่งร่างลอ ง, ลองนั่งตามไปเรื่อยๆค่ะแ่ที่จารยถามเนอาจว่าถ้ากลับไปนั่งที่บ้านแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรคะเวลานั่งดูลมค่อยดูลมอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับร่างกายส่ว น, นอื่นๆมันจะเป็นอย่างไรขย่าไปให้ความสําคัญกับมันมันเป็นมายามาหลอกใจเราให้เสียสมาธิไม่ให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกแล้วจะทําให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ เวลนั่งสมาธิต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำหนดเป็นเครื่องผูกใจเพียงอย่างเดียวถ้าดูโรมก็ดูโรมไปแล้วเกิดอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเหมือนกับเรานั่งดูทีวีแล้วมีโทรศัพท์ดังก็อย่าไปรับนั่งดูทีวีต่อไปดูทีวีอย่างเดียวจจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันจบอย่างไรถ้าไปรับสายเดี๋ยวไปคุยกับทางสายเข้าเลยไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ พระเอกกับนางเอกได้พบกันหรือเปล่าเข้าใจไหมนั่นงสมาธิก็ต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปส่วนจะมีอะไรมาแทกให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเหมือนกับโทรศัพท์ถ้าเราไม่ไปรับสายเดี๋ยวสักพักเขาก็วางหูเองเข้าใจน ะ, ะมีอะไรหม ไม่มีแล้วเดีย๋ยวเอาแค่นี้ก่อนดีั้ม<ส>เวลาก็พอสมควร<ส>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด